นิทานชวนคลิปเรื่องกวางตกหน้าผา เรื่องนี้ได้มาจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์บุตรเพจเรื่องก็มีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะประเทศจีนยังมีชาวนาคนหนึ่งเป็นคนที่มีนิสัยขยันขันแข็งหลังจากทำไร่ไถนาตั้งแต่เช้าจนเที่ยงทำให้ชาวนารู้สึกเหน็ดเหนื่อย จึงได้เดินไปนอนเล่นพักเหนื่อยอยู่ใต้ร่มเงาหน้าผาใกล้ๆขณะนั้นเองณนะทุ่งหญ้าบนภูเขาได้มีกวางหนุ่มตัวหนึง่งวิ่งหนีเสือที่ไล่กวดมาอย่างกระชั้นชิดเจ้ากวางวิ่งหนีมาจนถึงริมหน้าผาและได้พลาดตกจากหน้าผา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 ชาวบ้านต่างลือกันไปทั่วถึงความมีโชคดีของชาวนาคนนี้ยังมีชาวนาอีกคนหนึ่งได้ยินข่าวลือก็ น, นึกอยากจะได้เนื้อกวางอันแสนอร่อยมากินเหมือนกับชาวนาคนแรกเขาจึงได้บอกภรรยาว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ออกไปทำนาแต่จะไปนอนที่ริมหน้าผา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 ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาอ้อนวอนขอให้ดนบันดาลให้กวางเนี่ยตกลงมาให้เป็นลาบปากเขาเฝ้าวิงวอนอยู่เช่นเนี้ยทั้งวันทั้งคืนจนร่างกาย่ายพร้อมแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนที่สุดภรรยาของเขาทนไม่ไหวขู่ว่าจะหอบเสื้อผ้า หนีไปหากยังไม่ยอมไปทำงานทำการประกอบกับเพื่อนบ้านพากันหัวเราะเยะขบขันชาวนาจึงจำใจต้องเลิกราความตั้งใจหันกลับไปทำนาเช่นเดิมท่านผู้ฟังคะ เรื่องนี้คงเป็นคติสอนใจได้ดีสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะคะถ้าสมมติว่าท่านชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะคะวันนี้มีเลขเด็ดที่จะบอกนะคะเลขเด็ดที่ว่าก็คือ019อ้าวไงมาบอกเลขเด็ดกันตรงนี้ล่ะ ลองฟังดูนะคะมันไม่ใช่เลขไม่หวยหรอกค่ะแต่เป็นเลขที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระหลุดพ้นจากความคับแคบทางจิตใจเปิดบ้านแจ่มใสเรามาลองทำความเข้าใจความหมายของเลข3ตัว019กันดูนะคะจะได้นึกทบทวนอยู่ในใจเสมอหากว่าท่านเข้าถึงความหมายของเลข3ตัวเนี่ย โลกของเราก็จะสวยสดงดงามชีวิตของท่านจะก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปค่ะความหมายของเลขสาตัวเลขศูนย์ค่ะศูญยตาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากความหมายเป็นตัวตนคือมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคิดเชื่อมโยงแล้วเราจะเห็นว่า ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เป็นตัวตนของมันเองสักอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นเมล็ดข้าวในจานข้าวหากรู้จักคิดเชื่อมโยงจะเห็นว่ามีเหตุปัจจัยต่างๆนานามากมายที่ทำให้เกิดเมล็ดข้าวขึ้นมาในเมล็ดข้าวเรามองเห็นพุ่งนานกหนู ท้องฟ้ากบสายฝนเขียวเกี่ยวข้าวความทุกข์ของชาวนาโรคขี่นูเท่าแก่โรงสีกรรมกรแบกหามนี่เป็นการมองเชื่อมโยงด้วยสายตาแห่งความกรุณาและปัญญาการมองแบบคิดเชื่อมโยงไม่มองอะไรเป็นแท่งเป็นก้อน จะทำให้จิตใจของเราไม่คับแคบจิตว่างเป็นอิสระหลุดพ้นสบายใจจนบางคนถึงกับเปล่งอุทานออกมาว่าโอ้สรรพสิ่งล้วนสุญญาตาคือว่างจากความหมายเป็นตัวตนเลขหนึ่งค่ะ หมายถึงทุกๆชีวิตคือหนึ่งเดียวเริ่มต้นจากพ่อแม่ลูกหากมีความรักสมานสามัคคีกันภายในครอบครัวคนในครอบครัวก็จะเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดความสุขอันเหลือล้นยิ่งกว่ามีเงินทองนับล้านนับแสนกลุ่มคนมีความคิดตีงาม มารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันหรือคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันหรือตลอดจนความรู้สึกว่าทุกคนในโลกล้วนเป็นพี่เป็นน้องร่วมโลกเดียวกันความรู้สึกเนี้จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความสุขอย่างเปี่ยมล้นเนื่องจากจิตใจ หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวที่คับแคบทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไปเลข9หมายถึงชีวิตของเราจะต้องก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคือแต่ละวินาทีที่ผ่านไปเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งดีงาม พวกเราทุกคนล้วนโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถจะพัฒนาตนได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดเราสามารถที่จะพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดคือเข้าถึงความสะอาดสว่างสงบรู้ตื่นเบิกบาน ท่านผู้ฟังคะ019คือเลขเด็ดที่จะทำให้ท่านเนี่ยประสบโชคดีอย่างแท้จริงไปตลอดคะ่ะ